พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28มิถุนายน2560นมีชื่อเรื่องว่าสัจจะอธิษฐานวันนี้ตอนาสายๆหลวงพ่อก็อคงจะได้ไป อำเภอภูเรืองานวันเกิดของหลวงพ่อชาลีทิรรมโมเจ้าคณะอำเภออำเภอนายุงที่ทันได้ออกจากภูกรไปท่านท่านไปตั้งํำนักใหม่หกันปีกวิเวกที่อำเภอภูเรือท่านไปจัดงานที่นั่น ลวงพ่อคงจะได้ไปงานของท่านตอนสายๆบ่ายๆแต่จะได้พักค้างหรือไม่ก็ยังดูๆก่อนถ้าไม่มีอะไรก็คงจะกลับมานะลูกหลานแล้วก็วันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2560ัในวัดของเราก็ ไม่รงงานพรเตรียมตัวจะเข้าพรรษาต้องก่อนที่จะเข้าพรรษาไม่ใช่ว่าปุปปับจะเข้าเลยไม่ได้นะต้องเตรียมเตรียมสถานที่ผู้คนที่จะมาเกี่ยวข้องก็จะต้องได้จัดเตรียมขนาดพระกรรมฐานอยู่ในป่ารงพงไพ่สมัยหลวงปู่มั่นพระองค์ไหนจะไปเที่ยวตลอน จวนจะเข้าพรรษายังมาซุบมือเปิบนะโดยมากหลวงปู่มั่นจะดุทันทีแล้วก็พระที่อยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่ายังพูดอยู่ให้ฟังนะอจวนจะเข้าพรรษาแล้วยังเดือนเดียวยังไม่ได้ก็ยังมาอยู่ที่วัดหนองผือนาไนายอยู่หลวงปู่ว่าท่านจะจำพรรษาไหนปีนี้เอเอหลวงปู่ล่าหลงพอยังจําไม่ลืมนะบัณฑโคกกระหลก หลวงพ่อไม่เคยเห็นวันโคกกระลงเาทำทำไมไม่ไปเตรียมสถานที่ก่อนที่จะเข้าพรรษาไปอย่างน้อยก็สัตรีราชาสิ่งเขายัางเตรียมหลวงเตรียมหลังเขาจะพักที่ไหนเขาจะอยู่อย่างไรท่านจะจําพรรษาท่านจะทำยังไงท่านต้องไปดูที่ตรวจสถานที่สิไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาแ ล, ล้วกุฏิก็รัวลงครัวไฟก็รัวฟืนก็ไม่มี ท่านจะทําอย่างนั้นได้ยังไงก็ต้องไปหาเตรียมไว้ก่อนสิบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีต้มน้ําซักผ้านะมันต้องอาศัยฟืนไม่ใช่จะไปเอาฟืนเปียกๆในป่าเอามาใช้ท่านต้องเตรียมการโหหลวงปู่ล่าภูเรฟังหลวงปู่มั่นดุมากนะเข้มงวดคือไม่รู้จักเตรียมการขนาดพระจะจําจบรรษายังพันท่านยังให้เตรียมการนะ เพราะนั้นวเวลาหลวงพ่อจะไปทุโงที่ไหนก็ตามหลวงพ่อจะต้องเข้ามาก่อนเดือนพฤษภาคมพอวิสาขะเสร็จแล้วหลวงพ่อจะต้องรีบเข้ามาเข้ามาเพื่อจะได้เตรียมสถานที่จำพรรษาว่าจะควรจะทำอย่างไรไม่ใช่ว่าจะให้หมูพวกเพื่อนสมัยก่อนมันมุงหญ้าเลกุฏิบางหลังก็มุงหญ้าพระต้องช่วยกันหาหญ้ามามงุง แล้วก็ทำฝาทำาพื้นบางทีก็ฟื้นผากฝากก็มีฝาไม้ไผ่ก็มีมันไม่เหมือนไม่ถ้าบอลเหมือนทุกวันนี้นะจากนั้นก็หาฟื้นฟื้นมาจำเป็นได้ใช้พระอยู่ในป่าต้องต้มน้ำต้มน้ำซักผ้าบักแล่ก็ในเวลาฝนตกกลางวันหลวงตาเนี่ยท่านจะให้จุดไฟนะให้มีควันไฟตันว่า คนมนุษย์ของเราเนี่ยต้องอาศัยความร้อนหรืออาศัยขวันไฟยพราถูกขวัญฝฟมัรู้สึกมันมันหายใจโลง่งต้องจุดไฟเอาไว้นะหลวงตาที่ท่านอยู่บ้านตาดพอฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยท่านหลวงตาจะให้สุมไยที่หลงครัวไว้ให้มีขวัญไว้ถ้าเผื่อมาพระมาองไหนผ้าเปียกมาก็จะได้มาย่างไฟให้มันแห้งอันนี้เป็นต้น ก่อนเข้าพรรษาสรุปแล้วก็คือท่านให้เตรียมการความพร้อมไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาเสร็จแล้วไปทำงานนั้นทำงานนี้พอออกพรรษาก็ไ ป, ไปว่างานเสร็จพอดีท่านบอกวาติไม่ควรเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเราเตรียมพร้อมไว้แล้วพอเข้าพรรษาแล้วจุดงาน ตามองค์ต่างภาวนาของใครของเราอยู่ในความสงบใครจะท่องปฏิโมกข์ใครจะอดอาหารใครจะภาวนาคือในภรษาต้องอิสระนะแต่ในวัดของเราปีนี้ก็หลวงพอ่อนุ ญ, ญาตให้เขาทำกุฏิแต่ทำไมหลวงพ่อจึงอนุญาตหลวงพ่อมันเอกเทศมันวัดของเรามันห่างไกลมันไม่ได้รบกวนใครในจุดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้ ไม้โดยมากจะเป็นเหล็กความเสียงดังโป้งๆปังๆเนี่ยคงจะมีน้อยมากแล้วก็วัดของเราเป็นพันกว่าไร่นะหลวงพ่อก็พิจารณาดูแล้วนะคว่าไม่รบกวนสำหรับผู้ที่ไปภาวนาในแถบนั้นเพราะวัดมันห่างอยู่ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการที่จะทำอะไรจะอนุญาตอะไรหลวงพ่อก็ได้คิดเหมือนกันน ะ, ะคิด รอบครออพอสมควรไม่ให้กระทบกระเทือนเสียเพราในช่วงที่เข้าพรรษาเป็นช่วงที่ภาวนาเป็นช่วงที่สงบสงัดแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็บอกพระอีกว่า พ, พนักงานไม่ให้มาเพ่นผ่านมาแถวศาลานะออกนู่นทางศาลานอกเลาะกำแพงออกไปนู่นอย่าให้มาเพ่นผ่านแถวนี้นะแถวนี้เป็นแถวพระเนี่ยหลวงพ่อก็บอก กชัชชบพระเอกเหมือนกันพระเด็พระให้ฟังเอาไว้นะใ ห, ให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ําเขาจะมากับไปทางนู้นเราจะสงเคราะห์นุกเคราะห์ยังไงดูแลการงานกันเขาก็คงจะไม่ได้ใช้เสียงดังพ <c oughs> ะเป็นงานปูนเกือบทั้งหมด <c oughs> แล้วก็วันที่หนึ่งเป็นวันบวชพระของพวกเราอันนี้พระหน้าของเราก็ 14เดี๋ยวนี้อาจจะเป็น15นะแต่ตปยังไงบางนาคบางกลุ่มเขาคงจะไปบวชที่อื่นก่อนแล้วยังคอยเข้ามาพอไปหายญาติผู้ใหญ่คือปู่ย่าตายายพ่อแม่อายุมากอยากจะเห็นลูกหลานบวชคงจะไปทำพิธีซะก่อนบวชให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายซะก่อนยังคอยกลับมามาจําพรรษา ที่วัดของเราสรุปแล้วก็คือวัดของเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็มีพระทั้งหมด3 0สิัรูปนะสารูปนะปนะองค์ที่ไปทำธุระก็ยังมีอยู่น่นละวันเข้าพรรษานั้นะจะมากน้อยอย่างไรแค่ไหนคงจะรู้รู้ได้รู้ชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้กำลังไม่รู้องค์ไหนเป็นองค์ไหน แต่คงจะไม่เกินฮะคงจะไม่ถึงห้าสิบกรมังนะพ่อคิดเพียงแค่นั้นนะ <c oughs> ถึงห้าสิบก็คงจะเป็นห้าสิบต้นๆนะอาจจะไม่ถึงนะอาจจะทีสิบ ก, กว่านะแต่ถึงยังไงถึงจะมากหรือน้อยก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้ง อ, อกทั้งใจประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเราไปทํางานห้างสรรพสินค้านะนะถึงจะมีพนักงานมากน้อยขนาดไหนต่างคนก็ต่างทําการทางาน แล้วก็เงินเดือนของใครของเรานี่ก็เหมือนกันน่มาอยู่ในวัดของพ่อทามาแล้วก็กกก ข, ขี้เกียจเดินอยงก่มขี้เกียจภาวนาทาความเสียหายอีกตั้งหากก็แปลว่า พ, พารักพนักงานคนนั้นใช้ไม่ได้เสียหายแต่มาพนักงานคนใดเข้ามาเนีทำงานห้างสรรพสินค้าเ่มีทําทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับห้างสรรพสินค้าคนนั้นก็เป็นที่ยกย่องเชิดชู ของห้างตัวเองก่อน้รับเงินเดือนดีนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละการมาภาวนาในวัดของหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อแล้วจะดีทั้งหมดไม่ใช่นะถ้าดีทั้งหมดหลวงพ่อกิ่งคือป่องจิงจกตุกแกลนะิงข้างบางเฉนอยู่ในวัดของพ่อเต็มไปหมดเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นพระไม่เห็นว่ามันดีนะเพอเผอเห็นลิงอยู่ข้าง พวกเราเดินไปมันยัง ห, ง, ยงหญิงเขี้ยวหญิงเขี้ยวสอีกต่างหากมันหวงถิ่นของมันนะเออไม่ไม่ใช่ว่าเจียงหญิงเขี้ยวแต่ใส่ถ้าพวกศ ร, รัทธาญาติโยมหลวงพ่อไปมันก็หญิงเขี้ยวใส่หลวงพ่ออีกเหมือนกันมันว่ามันเป็นเจ้าของวัดปุณหนะนี่แหละอันนี้คือเราไปนัสถานที่ใดให้ต อ, อกตั้งใจภาวนานะสรุปแล้วนะเป็นคนดีเป็นพระดีเป็นศราาัทธาญาติโยมที่ดีนะ เกิดมาในพื้นแผ่นดินค่เป็นประชากรที่ดีอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองมาบวชก็อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นศากตร์การเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าที่ดีแต่มีอะไรการมายอยู่ด้วยกันมากมายหลายท่านก็ปรึกษาปารบ ก, กันมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่ผู้มายอยู่ก่อนก็ให้ความอบอุ่นแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวน้องนะ แต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นในระดับถ้าจะว่าเป็นพ่อบ้านก็ได้เป็นเจ้าของเจ้าของบ้านก็มองกระมอกปอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะั้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันนะได้รับการศึกษาทางโลกมาก็ไม่แพ้กันพอมาอยู่ด้วยกันนะคือนะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรหรือว่าสิ่งไหนที่มันจะทําให้ไม่สบายเรือร้อน หรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายก็ บ, บอกมานะพวกเราผู้อยู่ด้วยกันนะั้นบอกมาหนะลวงพ่อเองก็ได้ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โรงพยาบาลมากต่อมากผ่าขอร้องไปที่ไหนบอกไปที่ไหนท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่ปฏิเสธเพราออะไรเพราะว่าหลวงพ่อได้ช่วยสงเคราะห์ ช่เหลือท่านเหล่านั้นในเมื่อหลวงพ่อจําเป็นหลวงพ่อขอร้องท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่ปฏิเสธนะนี่แหละอันนี้คือหลวงพ่อเขามั่นใจในเวลาพระเนนของหลวงพ่อมากมายเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดหนักใจถ้าหากว่าอยู่ถึงคราวนะั้นอยู่ที่ไหนก็ตายนะไม่ว่าท่านผู้ใดอยู่นักสถานที่ใด ห, หมอจะดีขนาดไหนก็เถอะ ก็ไม่มีใครที่จะละเว้นไปได้ถึงข่าวมันแล้วนะนี่แหละแต่ว่าช่วงที่รักษาเราก็จะต้องรักษาคิดว่าไม่มีปัญหาในการดูแลรักษาเนี่ยลุงพ่อก็มั่นใจนะลูกหลานนะที่พานเนนที่มาอยู่ด้วยลุงพ่อถือเสมือนว่าเป็นนิ้วเป็นไม้เป็นมือของหลวงพ่อทั้งหมดเป็นอวัยวะของหลวงพ่อเมื่อรับเข้ามาแล้วก็นเป็นคนของหลวงพ่อ มีความไม่สบายใจเรื่องอะไรเจ็บไข้ได้ปบวยอะไรก็บอกหมูถ้าไม่กล้าบอกหลวงพ่อนะแต่บอกหลวงพ่อได้หลวงพ่อก็บอกมาหลวงพ่อฟังทั้งหมดนั่นการอยู่ด้วยกันมันต้องมีความพร้อมเพียงสามคีกันมันไม่อยู่ด้วยกันนานเอาเพียงสามเดือนจากนั้นก็แยกย้ายกันสิ่งไหนที่มันดีก็หันหน้าขอาหากันซึงให้ที่มันดี จากนั้นสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปของใครของเราละถึงจะโกรธโมโหโกรธายยังไงถึงจะรักยังไงก็ตามนะอ่างคนก็ต่างแยกย้ายกันในที่สุดนะนอกนั้นก็มีพวกเราก็เดินทางใครเดินทางเราเลยแต่ร่างกายทิ้งไว้ในโลกแต่รู้ตัวนามธรรมคือจิตใจ น, ะนั่นแหะจะเนี่ยเราได้สั่งสมบุญกุศลไว้ไหมเรามีบาปอากุศลไหม เราจะเดินทางต่ออีกนะท่านข่าวนั้นละ่ะอัตหิอัตโนนาโถนตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรซิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกับบาปท่านะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราเมตตามาแต่บาปคิดแต่บาปพูดแต่บาปบาปก็จะให้ผลถ้าเราคิดแต่บุญทำแต่บุญพูดแต่เรื่องบุญบุญก็จะให้ผลไปสู่ปรโลกภายภาคหน้า ถ้าพวกเราอย่างในอยู่ในโลกนี่ก็เถอะนะคิดอะไรมีแต่คิดแต่จะขโมยเขาคิดมีแต่มีแต่เบียดเบียนเขาคิดมีแต่จะรังแกเขามีแต่เอารัดเอาเปียบเขานะเราคิดอยู่ในโลกผลที่สุดเขาพวกเราก็ติดคุกเถอะนะไปที่ไหนไม่ได้ตรงติดคุกถ้าพวกเรามีแต่คิดสร้างสรรค์มีแต่คิดตีมีแต่คิดช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ คิดดีทำดีพูดดีในม้วนมนุษย์ประกอบแต่คุณงามความดีคนนั้นเขาก็ต้องไปดีอยู่ที่ไหนก็ดีดีหมดเพราะอะไรเพราะเขาแต่ทำแต่ความดีแต่คนที่คำทำซ ช, ชั่วนะมันตรงกันข้ามนะลูกหลานนะไปที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายเพื่อเขาจับไปขังไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยออกมาก็ทำให้ชุมชนเดือดร้อน เพรนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไปมองคนอื่นให้มองมองตัวของเราเองทีย้อนมามองตัวของเราตัวของเราเนี่ขณะนี้มันเป็นยังไงอย่าลืมเจ้าของท่นีถ้าพวกเราลืมเจ้าของนั่นนะมองตัวคนอื่นว่าแต่คนอื่นเลวคนอื่นไม่ดีแต่ที่แท้ตัวเองไม่ดีไปหากัดด่าไปหมดแล้วจะเป็นยังไงทําให้เดือดร้อนไปทุก แห่งทุกคนจนไม่มีใครที่จะคบค้าสมาคมกับเราเพราะรอะไรเพราะเราเนี่ยการคิดการทำการพูดไม่มีสูงมีต่ไม่มีสัมมาคารวะไม่จักรรู้จักในการวางตัวสนะรุปแล้วนะังขอให้พวกเราทุกท่านนะในพรรษานี้นะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเราจะเอาอะไร เราควรจะตั้งจิตอธิษฐา น, น, นคําว่าอธิษฐานคํานี้ถ้าพูดไปแล้วก็ถ้าให้แปลเป็นคำความหมายออกมาเราก็คงจะเป็นเรื่องของพระของเจ้าไปคําว่าตั้งจิตอธิษฐานคํำนี้คือความตั้งใจมั่นแปลออกมาก็คือความตั้งใจมันมจม่นในพรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันตั้งใจมั่นข้าพเจ้าจะงดดื่มสุราในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดบุหรี ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะมีรักษาศีลห้าในพรรษานี้ทุกวันพระอะไรก็ว่ากันไปเราจะทาบุญตักบาตรทุกวันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นล้วนแล้วจะเป็นสัจจะแตถ่ถ้าเราไม่มีสัจจะนะโล wegen, โะโเลอโลกเลกโลเลไปเรื่อยเลือนเลือนเลือนเลือนลางๆงไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะไม่มีสัจจะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ผ่า น, านมาเนี่ย นึกดูก็แล้วกันไม่ต้องถามใครหรถามตัวเองนะั่นแหะที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่บัดนี้เอาเถอะข้าพเจ้าจะมีสัจจะคืออธิษฐานมีอธิษฐานในจิตใจจะเป็นผู้ตั้งใจมั่นในพรรษาสามเดือนเนี่ยเราจะทําอะไรเราจะท่องสวดมนต์ให้ได้ทําวัดเช้าทำวัดเย็นให้ได้ในพรรษานี้กันล้วนแล้วแต่เป็นคุณูปการเป็นผลประโยชน์ ถ้าเราทําตั้งศัจจ์ไปในทางที่เป็นประโยชน์นะถ้าว่าเราตั้งศัจจ์ไปในทางโทษเหมันก็โทษ ม, มหาศาลเหมือนกันนะเอข้าไปเจ้าจิตเุดนะพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้ฆ่าคนอนยะ่างนี้ <c ười> เอคือได้ให้ขโมยของเขาเนะี่ยให้ได้เงินเท่านั้นตอนนี้เบียดบางเขาเอาตั้งจิตตั้งใจเอาไวนะ้อันนี้ว่าตั้งจิตตั้งใจไปในทางที่ชั่วนะมันก็ได้ชั่วอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะ มนนันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะเขาว่าปัญญาของเหมือนกันทุกอย่างนะมันเป็นสองดาบสองคมทั้งหมดนะถ้าใช้ปัญญาไปในทางที่ถูกสัมมาทิฏฐิมันก็นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าใช้ปัญญาไปในทางมิจฉาทิฏฐิกูมหันปลัยเหมือนกันนะเบียดเบียนคู่คนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะพะใช้ปัญญาถ้าคนโง่มันทำอะไรไม่ได้หรอกนะขนาดปัญญาก็ยังทำให้เสียหาย มากมายถ้าใช้ไปในทางที่ดีดีมีคุณอนันนั้ถ้าไปคิดไปในทางที่ชั่วใช้ปัญญาปไปในทางที่ชั่วเป็นโทษมหันต์เหมือนกันความเพียรก็เหมือนกันถ้าเราใช้ไปในทางที่ดีสำ ม, มาติทิฏฐิมันก็เป็นประโยชน์เพียรพยายามสร้างคุณงามความดีพยายามเล่าเรียนหนังสือประกอบคุณงามคนามดีทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นความเพียรทิฏฐิถ้าเพียรพยายามจะเบียดเบียนพยายามฆ่ย า, ยา ค, คนพยายาม จะลังแก่คนพยายามทําความชั่วนะมันก็มีมากอีกเหมือนกันนะ่ะความเพียรนเนะอเพราะนั้นเพียรพยายามมันก็ต้องเป็นดาบสองคมอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วนะีน่พระพุทธองค์เน้นถึงสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องนะเอะถ้าวัานไปทางที่ผิดนะแปลว่าเสียหายนะเราต้องแกก อยกให้ออกคําว่ากรรมกรมก็เหมือนกรรคําว่ากรรมคำนี้ก็คือการกระทำอย่าไปทํากรรมนะเราก็เลยคิดว่ามันจะเป็นทำกรรมชั่วอย่างเดียวไม่ใช่นะคำว่ากรรมคำนี้ก็คือแปลเป็นยืนเป็นสองคำต้องขยายออกไปอีกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าเราทํากรรมดีคือการกระทํากรรมคือการกระทําเราก็ทําความชั่วหรือเท่าเรากระทําความดี ถ้าเราทำความดเีเรียกว่ากุศลกรรมถ้าเราทำกรรมชั่วเรียกว่าอากุศลกรรมมีอานาหน้าด้วยนะอาคุศลกรรมคือกรรมชั่วเนี่ยแหละกรรมชั่วนั้นคืออะไรบรรยายไปเลยไม่มีที่สุนจิตคุกติดตลงังไม่รู้มาตราที่เท่าไรมาตราที่เท่าไรแต่ติดคุกไปถามดูก็แล้วกันนะมันมีมากมายเลยกรรมชั่วนะกรรมดีก็เหมือนกัน ออที่เด่นเลยรับยดถาบรรดาศักดิ์มั่งมีสีสุขร่ารวยมากมายมหาศาลเหมือนกันอันนี้คือกรรมดีที่เราได้กระทําไว้นะีน่แหละกรรมดีกับกรรมชั่วมันแยกกันอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมพอตายไปแล้วกับกรรมชั่วก็ลงนรกกรรมดีก็สู่สวรรค์สันฟ้าไปเนะนี่ยนี่แหละอะพอนี่คือคือกรรมคือกันกรรมคือการกระทําจําแนกรสรรพสัตว์ทั้งหลายด ว, ยวงวิญญาณทั้งหลายไปสู่ กติภูมิของใครของเราเราจะทำกรรมดีแล้วเ ร, เราจะทำกรรมชั่วนะนะเราก็ต้องมองดูของเราอีกเหมือนกันแต่ละคนนะาต่ อ, ตอ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตีนเนอะวันที่วันที่8วันอสารหาบูชานะวันที่9นะนะเป็นวันอธิษฐานพรรษาแต่โดยมากเราจะทำบุญวันอสารหาบูชานะมารวมกันนะ คือ ว, วันขึ้น8ดค่ำเดือนวนะันขึ้นสิบห้า่เดือน8ดวันอัสสระพูชาคือวันที่8ดนะวันที่เก้าเนี่ยเป็นวันอธิษฐานพันษาของพระสงฆ์ใครจะตั้งจิตอธิษฐานยังไงคนนมาตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานในวัดของหลวงพอนะ่อพระวัดอุรมพระพุทธอุรมมงคลนะตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ ในพรรษาในข้าพเจ้าจะทําอะไรนะไปนในทางที่ดีที่ถูกต้องนั่นแหะเป็นบุญเป็นกุศลในเมื่อออกพรรษาแล้วก็มากราบพระพุทธปฏิมาอีกพระพุทธรดมมงคลเออผู้ข่าข้าพเจ้าแต่ตั้งจิตอธิษฐานในพรรษาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าทําสมบูรณ์แล้วด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีในพรรษานี้ขอให้เป็น เครื่องเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าคําว่ า, ากิจการงานหรือวัุรการงานสิ่งไหนทั้งปวงที่ข้าพเจ้าไม่พึงปรารถนาก็ขอให้ลุล่วงไปด้วยดีจะได้มีอุปสรรคนะเราจะมาขอพรจากพระพุทธปฏิมาเพราะเราทําดีแล้วนะอไม่ใช่ว่าปุบปับมาขอพรขอพรไปกินเหล้าที่ไหนมาก็ไม่รู้หัวฟัดหัวเวียงไปกราบพระก้าววัด มันจะมีประโยชน์และกราบก็กราบพิดผิด ถ, ถูกถูกอีกต่างหากกราบนึกอะไรก็ไม่รู้นึกถึงตุขวดเล่าก็ไม่รู้ตอนที่กราบนะไม่ไดไม่ละเลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆอีต่างหากนะนี่แหละเพราะนั้นพวกเรานะทำความดีก่อนยังค่อยขอพรอนะมีใจวบาปุบปรับไม่จะขอพรด่าไปเลยไม่ได้นะรับพรในทนใดเนาะ